วันนี้เป็นวันที่พระภิกษุสามเณรได้เดินทางมาสู่วัดนี้เพื่อช่วยงานทำบุญอายุหลวงปูอันนี้ดูจะถือเป็นประเพณี กันมาแล้วก็ขอแสดงความยินดีต้อนรับเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็หวังความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตันหาผู้บวชเข้ามาสถานที่ได้ เป็นสถานที่ฝึกผนอบรมเพื่อการนั้นก็เสวงไปสำหรับผู้ที่เบื่อหน่ายต่อกิเลสตันหาอยากก็บพ้นจากอำนาจของกิเลสตันหาก็ต้องเสวงไปเหมือนอย่างขั้งพุทธการระสาวกทางหลาย ท่านก็เที่ยวจาริกไปในสถานที่สงบสงัดในสถานที่มีท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เพื่อที่จะได้ฝึกผลตนตามสำหรับผู้ที่ยังเข้ามาสู่ธรรมเวลานี้ยังใหม่ยังไม่นาน ก็จะต้องหาประสบการณ์จากผู้อื่นบ้างอันนี้มันเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคำว่าสาวโกแปลว่าผู้ทำตามผู้เชื่อตามกันมาหรือว่าแปลว่าผู้ฟังตาม หมายความว่าผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกธรรมดานี่ต้องได้ฟังธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนและจึงรู้แนวทางได้รู้รู้แนวทางที่ถูกถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัติตาม ก็จึงสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ซึ่งไม่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านผู้ที่จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เสวงหาทางตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณโดยลำพังพระองค์เองพระองค์ก็สามารถตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ อันนั้นเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตัดสรู้ในโลกนี้ดังนั้นทุกคนก็ให้รู้ตนว่าตนไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกธรรมดาเช่นนี้มันก็ต้องผลขวายต้องสเสวงหา ต้องคบค้าสมาคมกับนักปราชญผู้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติหรือว่าผู้ที่ท่านได้ฝึกขนอบรมตนมาก่อนเป็นผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนานี่เมื่อเมื่อได้พบได้เห็นท่านผู้เช่นนั้นเขาแล้วก็จะมีกำลังใจเข้มแข็ง ในอันที่จะประพฤติปฏิบัติตามทำนองครองธรรมจะทำให้การประพฤติพรหมจรรย์นั้นได้ผลคืบหน้าไปเรื่อยๆเพราะได้เห็นตัวอย่างอันนี้นักว่าควรพิจารณากันให้ดี ทุกคนบวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าบวชเพื่อมุ่งหวังอย่างอื่นถ้าหากว่าไปมุ่งหวังอย่างอื่นการบวชนั้นก็ชื่อว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกทางเช่นบวชมีอยู่หลายประเภทที่ท่านกล่าวไวน้นะนนะ บวชเล่นบวชลองบวชครองวเพเณีบวชหนีสงสารบวชผานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนอันบูนี้มันมีมันมีอยู่เหตุนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้อย่างนี้บางควงกับคิดว่าเห็นเพื่อนบวชก็บวชเล่นเล่นไปงนั้นเลย ตามหมู่ตามเพื่อนไปแต่ใจจริงแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะบวชเอาจริงเอาจังอย่างนี้ก็มีบางคนก็คิดว่าลองดูการบวชนี่มันจะเป็นยังไงลองดูสักทีถ้ามันดีก็จะอยู่ไปถ้าไม่ดีก็จะซึกออกไป นั่นเรียกว่าตั้งใจมาลองดูเฉยๆนี่เพราะว่าตนนั้นยังมองไม่เห็นานิสงแห่งการบรรพชาผสมบทจึงอยากจะมาทดลองดอูบางคนก็ว่าตนเกิดเป็นคนไทย บรรพบุรุษนับถือพุทธศาสนาบรรพบุรุษก็ออกบวชเสียก่อนแล้วจึงมีย้ามีเรือนตนผู้เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนก็ต้องออกบวชตามทานองของบรรพบุรุษอันนี้ท่านเรียกว่าบวชครองประเวณี บวดหนีสงสารอันนี้ถ้าถ้าจะว่าไปในทางที่ไม่ดีก็หมายความว่าเมื่ออยู่เป็นครือข่าก็หาความสุขสบายไม่ได้เกียดคร้านทำการงานหรือว่ามีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้น <c oughs> คิดว่าถ้าไปบวชแล้วเห็นจะพ้นจากเรื่องวุ่นวายต่างๆเหล่านี้ไปได้<ม>เช่นนี้แล้วก็หนีไปบวชกาบวชมาแล้วได้พบกับอุปสรรคความขัดข้องวุ่นวายขึ้นมาก็บอกโอบวชนี่ก็ไม่ดีหรอกก็ยังยุ่งอยู่ยังวุ่นวายอยู่แต่ซึกออกไป อย่างนี้ก็มี <c oughs> บวชผานเข้าสุขอันนี้รู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อยคงหมายเอาบุคคลผู้บวชเข้ามาแล้วไม่เคารพต่อธรรมวินยัยประพฤตอะไรไปตามใจชอบของตนไม่มีฮิริโอตประธรรมล่วงวินยัย <c oughs> <c oughs> ไม่ประกอบความเพียรชำละกิเลสปัญหาภายในใจโดยอาศัยเข้าสุขของชาวบ้านเป็นอยู่วันวันไปต่ไม่ได้มีคุณความดีอะไรจะเจริญงอกงามขึ้นในกายวาจาใจ <c oughs> มีแต่ทางฝ่ายอากุศลจเจริญขึ้นอย่างนี้เน่ยเข้าใจว่าก็คงเป็นอย่างนี้แหละคาว่าบวชผานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนก็เห็นว่าเพื่อนเพื่อนฝูงที่เป็นมิตรเป็นสหายกันมาแต่ก่อนออกบวชไปก็คิดว่าคงจะสบายเมื่อการบวชเนี่ย ไม่ต้องทำการทำงานอะไรเช่นนี้แล้วก็บวชเข้ามาเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็หาความสนุกสนา น, นล่าเริงบันเทิงไปไม่คิดที่จะฝึกตนตามธรรมตามวินยัยเพื่อบรรเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไป จากจิตใจของตน <c oughs> แล้วก็เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็บวชเข้ามาบวชเข้ามาแล้วก็ปพื้มเล็วไหลไปอันนี้เรียกว่าบวชสนุกตามเพื่อ น, นการบวชทั้งหมดนี่ไม่เป็นทางดีเสียแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจดูตนของตนว่าตนได้บวชอย่างนั้นจริงหรือมีไหมบางอย่างบางประเภทที่เราแสดงมานี่ต่พิจารณาถ้าหากว่าไม่ได้บวชอย่างว่านั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะบวชอย่างนั้นก็นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐ ของผู้นั้นโดยที่ผู้นั้นได้เห็นโทษของกิเลสตัณหาได้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารมาแล้วจึงได้หนีมาบวชบวชก็เพื่อที่จะมาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามักมีองแปด อันเป็นทางพ้นไปจากทุกข์ในพระพุทธศาสนานี้ <c oughs> โดยที่พิจารณาเห็นว่าศีล ส, สมาธิปัญญาหรืออมกมีองแปดนี่เมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติตามนั่น <c oughs> ก็สามารถที่จะทำกิเลสให้น้อยเบาบางไปได้จริงจอันนี้ ความคิดความดำริอย่างนี้แล้วสละบ้านเรือนมาบวชนับว่าเป็นความคิดที่ดีนี่แต่ว่ามันก็มีบางลายที่แรกก็ว่าตั้งใจบวชชั่วคราวบวชให้พ่อให้แม่ก็มีหรือบวชตามอุปนี้ก็มี ท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้วได้มาศึกษาธรรมวินัยได้เห็นตัวอย่างของผู้อื่นกระทาบำเพ็ญมาเห็นว่ามีความสงบระ ง, งับดีตนเองก็ทดลองไปแบบนี้พอทําลงไปแล้วได้ความสงบความเย็นใจขึ้นมาแบบนี้ก็เลยไม่สึกก็มอีอันนี้นะ่ะแต่สมันจะมีน้อย แบบที่ว่านี่นะมีน้อยการบวชนี่ได้ชื่อว่าเป็นความประพฤติละเอียดอ่อนเป็นความประพฤติสุกคุมเหตุดั้นท่านจึงเรียกว่าอุดมปเภทเป็นเพศอันอุดม ดังนั้นน่ะเราต้องนึกถึงอุ ด, ดมภเพศของตนเสมอไม่ใช่นั้นเลเดียวก็จริตนิสัยที่เคยคึกขนองมาจะเป็นคารืหัดน่ะมันก็ติดตามมาเดี๋ยวก็แสดงอาการคึกขนองขึ้นลืมเนื้อลืมตัวไปก็มี ทีนี้ถ้าเป็นผู้มีสติสมบัติเสยะมันระลึกถึงตัวมันสำรวจกลวดดูตนของตนอยู่เสมอมันก็จะได้ตื่นตัวอยู่ว่าตนเป็นสมณะในขณะนี้นะหรือว่าตนเป็นนักบวชเป็นอุดมมาเพศเป็นเพศอันอุดมดังนั้นจะไปประพฤติอย่างเครือข่านัา้นไม่ได้ มันก็รู้สึกตัวได้พระโพดิมัน น, นึกถึงตัวเอง น, นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็ทำให้ชีวิตของความเป็นนักบวชของผู้นั้นนะมันก็จะก้าวหน้าไปได้เราถือเอาเทศอันอุรมเนี่ยเป็นหลักเตือนใจเป็น ถือเอาเพศอันเดียว่าสมณะเพศแปลว่าเพศอันสงบระงับนี่นะเรามาถือเอาชื่ออันนีเ้เป็นหลักใจเนี่ยเราก็พยายามปฏิบัติ ด, ดำเนินกายวาจาใจให้สงบระงับไปตามชื่อนั้นต่อไปนั่นเนะ่ง สงบกายสงบวาจาหมายความว่าไม่ล่วงพระวินัยเป็นผู้มีสติสมัญญะสำรวมในพระวินัยอยู่ด้วยดีนั่นอาการกายวาจาก็สงบระ ง, งับจากบาปจากโทษสงบใจเพ ก, การเจริญสมถะและวิปัสนา นี่ก็ต้อง่าเปลียนพยายามนั่งสมาธิภาวนาให้เต็มความสามารถไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งภาวนากันอยู่ในที่ชุมนุมนี้จึงจะได้นานถ้าไปนั่งอยู่ตัวคนเดียวแล้วเดี๋ยวเดียวก็เลิกแล้วไม่มีใครเห็นอย่างนี้เนี่ยได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤต์ไปตามอำนาจของกิเลสเพราะกิเลสนี่มันไม่ต้องการให้คนเรามีจิตใจสงบระงับไม่มันไม่ต้องการอยากหนีออกจากจิตใจของคนกิเลสเนี่ยดังนั้นผู้ใดประพฤติเช่นนั้นน่ะก็ไม่สามารถที่จะบรรเทากิเลสให้เบาบางจากจิตนี้ได้เลย เพิ่งเข้าใจมันต้องประพฤตปิปะธรรมนะการที่กิเลสนี่มันจะเบาบางไปจากกิตใจนี่ได้ประพฤติอย่างไรประพฤตปิปะธรรมออประพฤติอย่างเข้มแข็งเด็ดดีวนั่นแหละนั่งภาวนาลงไปอย่างนี้อธิษฐานใจเลย ถ้าใจไม่สงบเราจะไม่ลุกจากสมาธินี่เลยเราจะไม่เคลื่อนไหวเราตายกับนี่แหละอย่างนี้นะอธิษฐานลงวาอย่างนี้แนละ้วก น, นั่งสมาธิไปกับจเจริญกรรมฐานไปตามกรรมวิธีนั่นโดยที่ตนเคยจเจริญกรรมฐานอะไรเราใจมันสงบลงได้ มันถูกกับจริตติดสายของตนเพราะกรรมฐานแต่ละอย่างนี่มันก็มีแลสักอย่างหนึ่งที่มันถูกจริตพอนึกถึงกรรมฐานอันนั้นมาแล้วรู้สึกว่าใจมันสงบลงไปมันไม่อยากพุ่งสร้นเลื่อนลอยไปทางอื่นนั่นเรียกว่ากรรมฐานอันนั้นมันถูกกับจริต แล้วก็กําหนดเพ่งกรรมฐานอันนั้นบ่อยๆไป mm hmm. พอกรรมฐานอันนั้นปรากฏแจ่มแจ้งในใจใจก็รวมลงได้สงบลงได้ mm hmm. เช่นอย่างผู้ที่ราคะจริตอย่างนี้นะมันก็ต้องเพ่งอสุภากรรมฐานเป็นอารมณ์ เมื่ออสุภนิมิตนั้นปรากฏภายในจิตใจมองดูร่างกายส่วนไหนทุกส่วนไม่มีส่วนไหนที่จะสวยงามเลยวะนี้อมีตั้งแต่สิ่งที่ไม่สวยงามทั้งนั้นเมื่อจิตมันรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีลงอย่างนี้แหละเพราะว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแท้ แต่จิตนี่มันหลงรักหลงใครในรูปนี่มานานแสนานานแล้วหมายความว่ามันหลงะมันหลงหนังที่หุ้มพอร่างอันนี้อยู่เท่านั้นแหละทว่าแล้วนะแต่ถ้าลอกหนังนี่ออกแล้วไม่มีใครต้องการหรอกรูปนี้นะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาอพอดูกันได้อยู่นี่มีแต่หนังนี่มันหุ้มอยู่เท่านั้นเองะอืม เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทสำหรับผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาส่วนมากก็เป็นพวกยังหนุ่มยังแน่นสำหรับผู้ที่มีเรือนแล้วนะั้มันก็มีพันพระเครื่องผูกมัดแล้วไม่สามารถที่จะสละบบ้านเรือนออกมาบวชได้ถึงมีก็มีน้อยเต็มที ส่วนผู้ที่ไม่มีพันธะอะไรนั่นแหละออกบวชกันโยแม้แต่ครัง้งพุทธกาลก็เหมือนกั น, นปรากฏในตำราก็ว่ามีแต่พวกหนุ่มเน่นนั่นแหละชักชวนกันออกบวชบางทีก็ตั้ง5้าร้อยคนก็มีไปขอบวชกับพระศ า, า, าสดาหมูละห้าร้อยหมูละร้อย อะไรหมดนี่นะมันมีอยู่เพราะท่านเหล่านั้นนะ่ะเข้าใจว่าคงได้สร้างบุญบา ร, รมีร่วมกันมาตั้งแต่อดีตถนหลังโน่นนาะดังนั้นเมื่ออินทร์บา ร, รมีแก่กล้าได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงเกิดศรัทธาพร้อมใจกันร่วมกันเลย เกิดความเริ่มใสนับถือพร้อมกันชวนกันออกบวชได้อย่างในเรื่องเรื่องพระภิกษุหมู่หนึ่งมีจำนวนห้าร้อยรูปในประวัติในอดีตประวัติของพระสาวกทั้งหมดนี้แต่ครั้งนั้นท่านก็เป็นนักศึกษา เป็นนักศึกษาเรียนศีลภพวิทยาในทางโลกนั่นแหละร่วมกันอยู่ร่วมกันกินร่วมกันนอนร่วมกันวันนี้พวกนักศึกษาเหล่านั้นก็หาไก่มาตัวหนึ่งสำหรับให้มันขันยามปลุกให้ตื่นเวลาตอนหัวรุ่ง ก็มาเลี้ยงไก่ตัวนั้นไว้วนันนี้ไก่ตัวนั้นมันบังเอิญนขันไม่ตรงตรงตามเวลาที่พวกนักศึกษาเหล่านั้นต้องการบางทีมันก็ขันแต่ยังเที่ยงคืนไปนี่อา้าตื่นขึ้นมามัน ก, ก็ง่วงนอนอา้าบางทีพรจวนจะสว่างนั่นจึงค่อยขันก็มี เราทเอยู่นั่นในที่สุดนักศึกษารเรานั่นก็เลยจับไก่ตัวนั้นมาฆ่าทําเป็นอาหารซ้ำซะเมืเ่เมื่อท่องเที่ยวมาในสงสารพอมาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่คนเรานั่นก็มาเกิดในเมืองสาวัตถีนั่นแหละ แล้วไก่ตัวนั้นก็มาเกิดเป็นคนบ่เนี่เมื่อเกิดเป็นคนก็ได้เข้าร่วมอยู่ในพักพวก499คนนั้นอ <c oughs> ผู้นี้ไปรวมเข้าก็เป็น500ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็มีศรัทธาชวนกันออกบวชพอบวชมาแล้ว ท่านทั้ง499รูปนั้นก็ได้ชักชวนกันกราบทูลลาพระสาดาเที่ยวไปสู่ชนบทแสวงหาที่สงบสงัดแล้วปราลพร้อมเพียนจเจริญพระกรรมฐานตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนส่วนพิษูจที่ว่าเป็นไก่มาเกิดนั้นก็ไม่ได้ไปกระหมู และอยู่ที่วัดเชตวนารามนั้นวันนี้ท่านทั้ง499รูปนั้นไปทำความเพียรในที่สงบสงัดไม่นานเท่าไหร่นักก็ได้สำเร็จอรหัตผลเมื่อสำเร็จมรรคผลแล้วจึงชวนกันเดินทางมาเฝ้าพระศาสดา พอเดินทางมาถึงหมู่บ้านหมู่หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เมืองสาวัตถีนั้นะะขะหะบรีคนหนึ่งไปเห็นพระเหล่านั้นเข้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงได้นิมนต์ราธนาให้ท่านไปฉันพัะตาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นท่านแล้วก็รับนิมนต์ เสร็จแล้วก็กลับเข้าไปวัดเชตวันนารามไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความชื่นชมยินดีด้วยที่ได้สำเร็จตามความมุ่งหมายในการประพฤติพรหมจรรย์กนณีพระองค์ที่เป็นไก่มาเกิดไม่ได้ไปกับหมู่นั่น เห็นพได้ยหนพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระเหล่านั้นก็นึกว่าเออเรานี่ก็บวดร่วมกับมูก็ยังไม่ได้บรรลุมรคผลอะไรเอาลนะในค่ำคืนวันนี้เราจะทำความเพียรเดินจงกรมเอาให้เจริญพระกรรมฐานให้ได้สำเร็จอรหั t ตผลในวันนี้ในคืนนี้ลนะบอกงั้น เพื่อนก็นั่งสมาธิบ้างแล้วก็ไปเดินจงกรมบ้างเจริญพระกรรมฐานไปอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สำเร็จให้ได้ตอนนี้ตอนหัวรุ่งพอเดินจงกรมไปมาเลยมันง่วงมันง่วงก็เลยเซอออกจากทางจงกรมลม้ลมลง ไอ้ขานะ่ะไปกระทบกับไม้เข้าอย่างแรงก็เลยขาหักก็ร้องขึ้นบัดนี้พระเหล่านั้นได้ยินเข้าก็พากันมาอา่พยาบาลรักษากันจนลุงสวานเลยไม่ได้ไปฉันพัตตาหารที่ ้าหากบรีคนนั้นเขาที่มนไว้เมื่อไปเฝ้าพระศาสดาพระองค์ก็จึงได้นำอดีตเรื่องราวของท่านทั้ง499รูปนั้นแต่เขาเป็นนักศึกษานู่นแล้วท่านที่ขาหาักนี่เป็นไก่แต่ชาตินั้นนะมาแสดงให้พิกสุทั้งหลายฟังว่าพิษุททั้งหลาย อ, อัน ภิกษุรูปนี้ไม่ใช่มาทำความอุปสรรคให้แก่พวกท่านทั้งหลายแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่แต่ในอดีตต้นพวกท่านเป็นนักศึกษาอยู่พระภิกษุองค์นี้ก็เป็นไก่ขันยามไม่ถูกตรงตามเวลาทำให้พวกเธอ่นี่ะยุ่งยากในการลุกขึ้น ท่องบนจดจำวิชาความรู้ทั้งต่างๆเนี่ยนั้นไก่ตัวนั้นเนี่ยเมื่อท่องเที่ยวมาในสงสารก็เช่นว่าได้มาเกิดเป็นคนขึ้นในเมืองสาวัตถีนั่นนี่แหละเรื่องเรื่องความอยู่ร่วมกันนี่มันก็เป็นกรรมมาหนึ่งมันผูกพันกันไปในโลกอันเนี้ย ก็พระพิกษุองค์ที่ขาหักนี่เป็นไก่ดังนั้นอินทรบารมีจึงไม่แก่กล้าเหมือนอย่างท่านทั้งสี่ร้อยเก้าสิบเก้านั่นทำความเพียรอย่างไรก็สำเร็จไม่ได้แต่ในครั้งนั้นท่านทั้งสี่ร้อยเก้าสิบเก้านั่นท่านก็เป็นมนุษย์นี่นั่นแหละสามารถทำคุณความดีอะไรไปได้ มากแล้วไก่ก็ถูกฆ่าตายไปตามยถากรรม <c oughs> นี่นี่แสดงถึงอุปนิสัยหรือว่าจริตนิสัยของคนเราอันนี้นะผู้ใดฝึกจริตนิสัยมาอย่างไรมันก็ติดตามมาอย่างนั้นให้สังเกตดู ไปฝึกอะไรนิสัยทำอะไรไม่ค่อยตรงตามเวลาอย่างนี้นะเวลานี่ควรจะทำการงานอย่างนั้นไม่ทำปล่อยให้ล่วงเลยเวลาไปเสียแล้วจึงไปทำอย่างนี้มันก็ไม่ไม่สำเร็จไปได้เรื่องนี้นะถือเอาใจความแบบ น, นี้นะทำอะไรต้องให้มันตรงตามเวลา ต้องตั้งใจลงเวลานี้จะต้องมีกิจธุระอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนั้นก็ตั้งใจเตรียมตัวให้มันทันกับเวลาอย่างนั้นมันถึงจะเป็นคนดีได้นั่นแหละถ้าว่าไม่ได้ฝึกตนให้เป็นคนตรงต่อเวลาอย่างว่านั้นเนี่ยมันก็ ล่าหลังเพื่อนะเหมือนอย่างพิกสุขาหักองนั้นเนี่ยต้องระลึกไว้เสมออย่าไปเข้าใจว่าไม่เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องเวลาเรื่องตรงต่อเวลาและกับเรื่องไม่ตรงต่อเวลาอันนี้มันทำให้ผู้ที่ไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยทำให้เป็นคนนิสัยเสีย เป็นคนใจเฉย ช, ชาไม่ว่องไวสวรรจิตก็ไม่ว่องไวมันเป็นอย่างนั้นอืดอัดเหตุนั้นการกระทำความดีมันก็ไม่ทันเพื่อนผู้ตั้งใจทำอะไรให้ตรงต่อเวลาเพื่อนก็ก้าวหน้าไปก่อนตนก็ต้องล่าหลังมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> อันเรื่องกติกาเรื่องระเบียบต่างๆเหลนี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรท่านผู้เจริญแล้วทั้งหลายเหล่านั้นล้วนตั้งแต่ได้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอันดีงามที่ตั้งกันไว้ไม่ให้ขาดตกบกคร่องถ้าไม่จำเป็นจริงๆเว้นเสียแต่เจ็บไข้ได้ป่วย อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเอา้าถึงเวลานี่นะควรลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะแล้วก็ไม่นั่งไม่ลุกเสียขี้เกียจนอนบิดกายไปมาก่อนหลับอีก อ, อย่างนี้แหละพอตื่นขึ้นมาแล้วพอเกิดขี้เกียจขึ้นมาอีก อย่างนี้แล้วมันมันจะได้ก้าวหน้าไปได้ยังไงคุณธรรมสติปัญญามันจะเจริญได้ยังไงมันเจริญไม่ได้เลยนี่เรื่องเรื่องกำหนดการเวลานะมันสำคัญขนาดไหนลองคิดดูให้ดีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แหะพระสาวกองคอราหันทั้งหลายมูนั้น ล้วนแต่ท่านมีระเบียบมีกฎกติกาบังคับตัวเองทั้งนั้นเลยนอกจากทำตามกฎกติกาของหมู่แล้วก็ยังทำกติกากับตัวเองอย่างนี้ตัวเองจะนอนเท่านี้ชั่วโมงอย่างนี้ก็กำหนดลงไปพอถึงชั่วโมงนั้นแล้วก็ตื่น ตื่นแล้วก็ลุกขึ้นทำความเพียรอย่างนี้มันก็ก้าวหน้าไปได้เลยแบบ น, นี้นั่นนยบุญกุศลก็เจริญขึ้นกิเลสก็เบาบางลงไม่มีใครนะจะมาละกิเลสให้ใครพระพุทธเจ้าก็ช่วยละกิเลสให้คนอื่นไม่ได้เลยเป็นแต่เพียงพระ อ, องค์เนธแนวทางให้เท่านั้นแนหะ จำแนวทางที่พระองค์เจ้าแนะนำนั้นได้แล้วก็ไปลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั้นให้เต็มความสามารถเหมือนอย่างเรื่องราวของภาษาวกดังที่แสดงให้ฟังมานั่นแหละท่านเหล่านั้นท่านตั้งใจจริงๆไม่ประมาทก็สามารถบรรลุมรคนธรรมวิเศษได้ ถึงว่าบุคคลจะเป็นผู้มีบุญบรารมีมากอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าไม่ทำความเพียรพยายามไปให้ถูกทางแล้วก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ออกบวชทีแรกพระองค์ทำความเพียรไปเด็ดเดียวแต่ว่ามันไม่ถูกทางบัดนี้นั่นแหละ พระ อ, องค์ก็ไม่สามารถที่ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ต่อเมื่อทาไปไม่ท้อไม่ถอยด้วยอำนาจแห่งบุญญาบรรีที่พระ อ, องค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแต่อเนกชาตินั้นหากมาแสดงนิมิตให้พระ อ, องค์ได้รู้ทางมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอา้าวแต่ก่อนทำไม บุญบารมีจึงไม่มาโดนบันดาลให้พระองค์ได้รู้ทางสายกลางเล่าอันนี้เท่าที่ได้ดูตำราแล้วก็พระศาสดาก็ทรงสแสดงบุพกรรมของพระองค์ไวเหมือนกัน <c oughs> พูดสั้นๆว่าตั้งแต่อดีตชาติหนนหลังนูน่นพระองค์ได้ไป ยกโทษติเตียนนักบวชรูปหนึ่งเป็นพฤษรืสีไปหาว่านักบวชเหล่านั้นเป็นผู้เกียรติคล้านได้อาหารจากชาวบ้านมาบริโภคและก็นอนอย่างนี้แหละบรัทชีติตเกียดติค้านเช่นนี้ไม่สมควรที่จะบริโภคอาหารอันประ น, นีตของชาวบ้าน แค่ที่จริงแล้วพระฤาษีนั้นท่านเป็นผู้บำเพ็ญกสินนชานได้บรรลุฌานสมาบัตแปดต้นได้วิบากกรรมอันนั้นจึงได้ตามสนองพระองค์ว่างั้นเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชไปแสวงหาทางตัสรุจึงไม่พบง่ายงเพราะว่ากรรมอันนั้นมันปิดบังไว้ เมื่อกามอนั้นมันให้ผลไปจนจวนจะหมดลงไปแล้วนั่นแหละพระบารมีธรรมนั้นจึงมาแสดงนิมิตให้พระองค์ได้เห็นทางสายกลางพอพระองค์รู้ทางสายกลางได้แล้วอย่างนั้นก็จึงงดจากการทําทุกขะกิริยาอดนอนผ่อนอาหารกั้นลมหายใจมูลนั้น จึงได้เที่ยววินทบาทมาฉันบำรุงร่างกายอันนี้ไปให้มีกำลังเป็นปกติแล้วจึงเริ่มทำความเพียรทางสายกลางมาดิการทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยร่างกายที่มีกำลัง เดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างวันนี้ถ้าไปอดนอนผ่อนอาหารจนสูกจนผอมเข้าไปแล้วไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำความเพียรได้ดังนั้นนะการทำความเพียร น, นี่ก็จึงชื่อว่ามันก็ต้องมีบทบาทมีหลักเกณฑ์อยู่เหมือนกันเอา้า ร่างกายอันนี้ถ้าไปบำรุงให้มันแข็งแรงมากเกินไปมันก็เกิดกิเลสบนีรนั่นเองถ้าบำรุงร่างกายแข็งแรงแล้วทำความเพียรให้เข้มแข็งเข้าไปไม่ท้อถอยอย่างนี้กิเลสมันก็กำเริบขึ้นไม่ได้มันก็อ่อนลง แต่ถ้าไปบำรุงร่างกายแข็งแรงเข้าไปแล้วเห็นจะเกลับเกนอนนะเข้าไปอย่างนี้กิเลสมันยิ่งกำเริบใหญ่โตขึ้นไปนี่มันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทางสายกลางได้คาว่าทางสายกลางนี่บริโภคอาหารพอประมาณนอนพอประมาณนั่งพอประมาณ ยืนพอประมาณเดินพอประมาณพูดพอประมาณอย่างนี้แหละทำอะไรอะไรก็ให้พอดิบพอดีไปบัเนี้ความคิดความพิจรารณาต่างก็ให้พอประมาณทีนี้ทาความสงบใจก็ให้พอประมาณถ้าไปติดอยู่แต่ในความสงบนั่นเรื่อยไป ปัญญาก็ไม่เกิดถ้าไปใช้ความคิดมากเกินไปจิตก็ฟุ้งซ่านก็ไม่สามารถจะรู้แจ้งเห็นจริงได้นี่แหละคำว่าพอประมาณนะพึงเข้าใจเอานั่งสมาธิไปถ้าเห็นแจ้งกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นแหะใจมันรวมลงสงบลงได้ พอสมควรเรียกว่าจิตนี่มันตั้งมั่นโดยดีแล้วเช่นนี้แล้วก็เจริญปัญญาต่อนี่ก็ต้องหาอุบายพิจารณาสิ่งใดที่ตนยังไม่รู้ไม่เข้าใจชัดก็กำหนดพิจารณาสิ่งนั้นให้มันชัดให้มันรู้ชัดเจนขึ้นมาโดย ปราศจากความสงสัยในเรื่องนั้นพิจารณาเอาจนหายสงสัยในเรื่องนั้นอย่างนี้ลำพังแต่เพียงทาใจสงบอยู่เฉยๆนี่มันก็เพียงแต่ว่าไปกรบกิเลสนั่นไว้เท่านั้นเองแหละหรือว่าคล้ายๆก็ว่าไปนั่งทับของไม่สะอาดไว้เฉยๆ เท่านั้นเองแลี่พอลุกออกไปจากที่นั่นแล้วของไม่สะอาดเนะี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นทรงกลิ่นออกมาอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วใจมันก็ไปกรบกริเลสนั้นไว้ให้เงียบไปพักหนึ่งกิเลสจะแสดงฤทธเดชอะไรต่ออะไรออกมาไม่ได้ในขณะนั้น คันพอจิตถอนจากสมาธิออกมากิเลสตอนนั้นมันก็ลุกขึ้นแล้วแบบนี้นะมันก็กำเริบขึ้นมาลบควรจิตใจอีกก็ทำใจฟุ้งซ่านไปดังนั้นผู้เจริญสมาธิเมื่อเจริญไปแล้วใจสงบลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วแับนี้เห็นว่าใจของตอนนี่มันตั้งมั่นลงไปได้แล้ว สมควรที่จะเจริญปัญญาได้แล้ววัานี้ก็ตั้งใจเจริญปัญญาบันนี้ตั้งใจพิจารณาอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาขันห้านี้ก่อนอื่นทั้งหมดเลยเพราะอะไรละ่ะก็เพราะว่าจิตใจมันมาหลงยึดมั่นอยู่ในขันห้านี้ก่อนก่อนยึดถือสิ่งอื่น มันยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่นั่นแหละมันจึงพ้นทุกไปไม่ได้ถ้ากว่าพิจารณาขันห้านี่ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงได้แล้วมันก็ละสิ่งอื่นไปได้หมดเลยสิ่งนอกขันห่านี้ออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรพอมันคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันห่านี้ได้แล้ว แล้วก็คลายได้หมดทั้งโลกนี่นี่ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีสภาวะเหมือนกันนะบรรดาสรรพรูปทั้งหลายที่มองเห็นด้วยตานี่มันก็ไม่แปลกอะไรจากรูปกายอันนี้มันก็ประกอบอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันนะอย่างนี้แหละไม่ได้มีวิเศษอะไรกวกการพูดถึงสิ่งที่จะมา รวมตัวกันเข้าเป็นรูปเป็นร่างอันนี้นะมันก็มาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นเองเช่นอย่างต้นไม้อย่างนี้มันก็ประกอบไปได้วยธาตุสี่จริงๆนะาาธาตุธาตุสีน่นี่รวมกันไม่ได้แล้วต้นไม้นั่นเกิดขึ้นไม่ได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นนะการพิจารณารูปกายอันนี้นะ่ะ จึงที่ว่าเป็นหลักของการเจริญวิปัสนาผู้เจริญวิปัสนามันเมื่อกำหนดจิตใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันได้แล้วก็เริ่มเพ่งพิจารณาร่างกายอันนี้เป็นอารมณ์แหละทาให้รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงให้ได้ต้องรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่รู้ด้วยสัญญาอย่างนี้ รู้โดยปัญญานั่นรู้อย่างไรรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งปัจจัยที่ตกแต่งให้เกิดรูปอันนี้ขึ้นมานั่นแหละทีนี้เหตุปัจจัยที่ตกแต่งรูปนั้นก็ไม่เที่ยงเมื่อเหตุปัจจัยไม่เที่ยงแล้วรูปนี้มันจะเที่ยงได้อย่างไรไอ้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพระัญญาโก น, นัญญะ ได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอันนี้ท่านหมายเอาวัตตะสามกรรมวัตตะกิเลสวัตตะวิปากวัตตะนี่นี่นะ วัาตาสามนี่เองนะกรรมหมายเอากรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลเรากระทำลงไปนั่นแหละกิเลตก็หมายเอาราคะโทสะโมหะนั่นอย่างนี้เมื่อบุคคลทำอะไรไปลงไปแล้วมันเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นว่า น, นี่มันก็ชอบแต่อยากจะเป็นแต่กรรมชั่วนั่นนะมากกว่ากรรมดีนั่นเองดั น, นี้กรรม ชั่วหรือกรรมดีที่ทําลงไปนั่นมันก็ตามให้ผลแบบนี้นั่นนี่ให้ได้เสวยผลแห่งการกระทํานั่นท่านเรียกว่าวิบากหรือวิปากวัฏอย่างนี้แหละเหมือนอย่างคนเราเกิดมาในโลกนี้เลยก็อาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตน ท, ทํามาแต่ก่อนนู่นเนาะมันติดตามมาตกแต่งรูปนามอันนี้ให้ถ้าหากว่า ผู้ใดทำกรรมดีไว้มากกรรมชั่วมีแต่ทำน้อยอย่างนี้นะแล้วกรรมดีนะั้นมันก็มาตกแต่งรูปอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากหน่อยความทุกข์นั้นน้อยถ้าบุคคลใดทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนมากกล่าทำกรรมดีอย่างนี้กรรมชั่วนะั้นมันก็มาตกแต่งร่างกายอันนี้ให้ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มีการบกคร่อง หวงกิจที่ได้มาใส่รูปร่างเช่นนั้นก็ต้องเสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นหาความสบายไม่ได้จะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายอันนี้นหละท่านเรียกวิาวบาก ค, คือผลแห่งกรรมเหล่านั้นมันมาอำนวยให้นี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ กรรมกิเลสวิบากเหล่านั้นน่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทรงตัวอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อหมดเขตเข้ามาแล้วมันก็ดับไปเมื่อกรรมมากิเลสเหล่านะั้นมันดับลงไปแล้วชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้รูปกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปนี่อันนี้แหละคำว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นน่ะ ท่านหมายเอาก ร, รมกิเลสวิบากดังกล่าวมานี่นะเพิ่งเข้าใจเมื่อท่านอัญญาโคนัญญาเห็นอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าท่านก็ไม่ได้สําคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนแล้ววันนี้นะนั่นแหละไม่สําคัญว่าขันห้ามีในตนตนมีในขันห้า ขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าอย่างนี้ไม่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าพระอัญญาโกณะได้ดวงตาเห็นธรมรมคือบรรลุโสดาปฏิผลเป็นอย่างนั้นก็สำหรับพ ร, รือสีทั้งห้านั้น ท่านได้เจริญสมาธิภาวนามาก่อนแล้วก่อนที่จะได้รับพระโอวาทของพระศาสดาพอเป็นลือสีเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบำเพญ็ญฌานก็จึงอยู่ได้มีใจสงบระงับแต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะมรละกิเลสเหตุแห่งทุกข์นี่ได้ดังนั้นในพระธรรมจักรนั้น พระองค์ทรงสแสดงทางวิปัสนาไปเลยเพราะท่านเหล่านั้นมีจิตสงบระงับเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว <c oughs> ดังนั้นเมื่อ <c oughs> เมื่อพระองค์เจ้าทรงสแสดงไปท่านก็พิจารณาตามไปได้เลยอ่ะพิจารณาตามไปเห็นตามไปเลยแต่ท่านทั้งสี่นั้น เมื่อพระองค์ทรงแสดงทำเบ็ดตะเล็ดต่างๆในวันต่อๆมาท่านก็ได้บรรลุโสดาบันเหมือนกันทั้งสี่รูปเลยเมื่อได้บรรลุโสดาบันแล้วก็เรียกว่าจิตใจอย่างเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานภายหลังมาพระองค์ก็ทรงแสดงอนัตตาละคณาสูตรกระชงยก เอาขันห้านี่แหละขึ้นมาแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาทั้งนั้นเลยแบบนี้อันนี้นน <c oughs> แต่ทีแรกก็ทรงตรัสถามเมื่อเมือม่อทรงแสดงไปแล้วก็ทรงตรัสถามว่ารูปนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะมาถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาโนเฮตังพันเตไม่ควรเลยพระเจ้าข้านั่นแหละก็ทงถามไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไป จนครบทั้งห้าท่านเหล่านั้นก็ทูลต่อพระองค์ไปในต่อจากนั้นพระ อ, องค์เจ้ากับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพิจารณาเห็นขันห้าตามเป็นจริงดังกล่าวมาแล้วนั้นจงรู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงอย่างไรเมื่ออริยาสาวกได้สดับฟัง ธรรมะคำสั่งสอนของพระเถเจ้าแล้วก็ย่อมเกิดปีติย่อมเกิดความรู้ยิ่งความเห็นจริงขึ้นมาในใจเมื่อเกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงแล้วจิตกวิมุตคือหลุดพ้นจากอาชะวะกิเลสโดยประการทั้งปวงก็จะรู้แจ้งว่า ความวาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่มีมเมื่อพระองค์เจ้าทรงตรัสแสดงอนัตตลกนาสูตรจบลงท่านปัญจวัคคีทั้งห้าก็ได้บรรลุอรหัตตผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนา ตอนได้ฟังพระธรรมฟังอนัตตลคณาสูตรนี่ท่านทั้งห้านั้นได้ขอบวชจากพระศ า, าสดาแล้วตั้งแต่ได้ทรงแสดงพระธรรมจัก น, นุ <c oughs> ่นนั่นเองอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเรื่องสมาธิเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ทุกคนให้ใส่ใจทำสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นในตนไม่ว่าคาริหัดไม่ว่านักบวชก็ต้องทำใจให้สงบระงับเหมือนกันแหละมันถึงจะพ้นจากทุกได้จึงจะมีปัญญาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั่นได้ ถึงว่ายังไม่สามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในชาตินี้แต่มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปในชาติต่อไปนั่นแหละพุทธบริษัทบางจาพวกเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจบลงแล้วได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษทันทีเลยนั่น ก็พราะว่าแต่ชาติก่อนนู้นนะถ้าเหล่านั้นได้ฝึกฝนทำสมาธิภาวนามานั่นแหละทาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอตั้งมั่นอยู่ในกองการกุศลไม่ให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในบาปอกุศลนี่นับว่าเป็นพื้นฐานอันสําคัญจิตใจคนเรานี่น่ะถ้าไม่ใจไม่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้ว มันก็ตกเป็นธาตุของกิเลสเท่านั้นเลยใจอันนี้มันจะอยู่ว่างๆไม่ได้เลยเพราะว่าตนยังละกิเลสไม่หมดเรื่องมันนะดังนั้นกิเลสมันก็มีอยู่สองประเภทนี้กิเลสอันเป็นฝ่ายกุศลประเภทหนึ่งมันนี้เป็นฝ่ายอากุศล น, นั่นอีกประเภทหนึ่งอย่างนี้ดังนั้นมันนี้ก็มีใจเป็นประธานมันนี้ มีใจเป็นใหญ่กลัวกิเลสเหล่านั้นบัเนี้ทีนี้เมื่อใจมันถูกอวิชช า, า, าครอบงำเข้าไปโมหะครอบงำเข้าไปมันก็ชักอยายินดีไปในทางอากุศลมากกลัวทางกุศลบัเนี้ชอบใจไปคบแต่คนพานเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่พอใจไปคบหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตอ วันนี้คนพานมันก็ชักชวนไปในทางอากุศลแหละมากกว่าที่จะมันชักชวนไปในทางกุศสนมันเป็นอย่างนั้นวันนี้ผู้ใดได้ฝึกตนให้ยินดีไปในทางกุสสนมาแต่ก่อนแล้วแล้วก็เคยได้คบหาสมาคมกับนักปราร์ดบัณฑิตมาแต่ก่อนอย่างนี้นะพขเกิดมาในชาตินี้มันไปมรรบุญนะนะั้นนั่นก็โดนบันดาลให้ได้ไปพบ นักปลดบัณฑิตเข้าให้แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมายินดีคบหาสมาคมยินดีฟังโอวาทคำสั่งสอนแล้วยินดีประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้อะมันมันเป็นอย่างนี้อันชีวิตของคนเรานี่นะดังนั้นมันมันขึ้นอยู่กับใจนี่นะบนันทิใจนี่มันก็อาศัยร่างกายอันนี้ วันนี้ลำพังตัวเองไม่สามารถที่จะหมุนไปในทางที่ดีได้ต้องได้คบหาสมาคมกับผู้รู้ผู้ฉลาดไปก่อนมันจะหมุนไปได้อย่างนี้นะดังที่ว่ามาแล้ว น, นนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมใจอย่างนี้ให้เต็มความสามารถแล้วถ้าว่าบุญวาสนาบา ร, รมีมันแก่กล้าพอ ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้ถ้าอินทร์บา ร, รมียังไม่แก่กล้าพอก็จะเป็นอุปนิสัยผิดตามไปในเบื้องหน้าต่อไปในในเบื้องหน้าต่อไปน่นก็จะไม่ลำบากในการฝึกตนแบนี้ผู้ใดฝึกตนไปแต่ปัจจุบันนี้ซะอย่างเต็มความสามารถแล้วอย่างนี้ไปเบื้องหน้ามันก็ไม่ลำบากอย่างนี้แหละ ก็เมื่อได้ฟังทำคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็สามารถหลุดท้นจากกิเลสตัณหาไปได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้